เหตุผลของการต้องเกิดมาเพื่อดับไปจะทำโดยองค์พิสุทธิ์ทองผาแสงสีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่อธิบายไม่ได้หลายคนจะพากันเรียกว่าเรื่องลึกลับที่ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบหรืออีกทีก็เรื่องเหลวไหลที่คิดกันไปเอง แต่สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอธิบายได้ทุกคนจะพากันเรียกว่าความจริงที่สมเหตุสมผลเรื่องของภพชาติเรื่องของจิตวิญญาณทำความฉงนชงาให้กับชาวโลกมาตลอดว่าเป็นเรื่องลึกลับเป็นสิ่งเลวไหลหรือเป็นของจริงกันแน่โดยเฉพาะเมื่อเกิดเรื่องกระตุ้นให้คิดหรือมีหลักฐานชัดเจนพอจะให้เชื่อ พระพุทธศาสนาอยู่ฝ่ายสนับสนุนว่าจิตวิญญาณกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้สักแต่ยืนยันว่าจริงโดยขอให้เชื่อพระศาสดาเฉยๆแต่ยังได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงสาเหตุว่าที่มีนั้นอาศาัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างและสำคัญคือให้หลักวิชาฝึกจิตเพื่อพิสูจน์ดูให้รู้เองเฉพาะตนไม่ใช่ประกาศเพียงเพื่อบอกว่า มีแต่พระศาสดาแต่เพียงผู้เดียวที่รู้ได้ก่อนจะถึงวิธีพิสูจน์ก็ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมถึงต้องเกิดมาเพื่อจะดับไปคำอธิบายดังกล่าวที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มีชื่อเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทว่ากันว่าหากใครเข้าใจความจริง เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทโดยการเห็นจำแจ้งด้วยจิตแล้วก็จะเป็นผู้อยู่เหนือโลกเหนือสมมุติทั้งปวงเพราะเห็นเหตุผลที่มาที่ไปของชีวิตในภพภูมิต่างๆรวมทั้งความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของจักรวาลดยรวมมันเป็นเรื่องลุ่มลึกพิสดารยิ่งที่สุดของความเข้าใจจำแจ้งในปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้จิตถอนจากความหลงผิดเสียได้กล่าวคือ เห็นสภาวะต่างๆทั้งที่ปรากฏสภาพเป็นมนุษย์เดรัจฉานเปรตเทวดาอินพรมล้วนเป็นเรื่องหลอกเล่นชั่วคราวเหลวไหลไร้แก่นสารพอๆกับความฝันหาใช่จะมีภาวะใดภาวะหนึ่งตั้งมันให้ยึดเกาะเป็นแหล่งพักพิงถาวรได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสแสดงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไว้หลายครั้งหลายแห่งให้กับหลายคน ซึ่งแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันไปเหมาะกับโอกาสวาสนาของแต่ละบุคคลแต่ที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ละเอียดลอเห็นภาพชัดที่สุดชนิดคนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีเห็นจะไม่มีครั้งใดเกินไปกว่าที่ปรากฏในทีคานิกายมหาวัตรประสุตันตาปิฎกเล่มที่สองอครั้งนั้นพระองค์ท่านตรัสโดยเฉพาะกับพระอานนุ์โดยเริ่มกิ่ว่า ติดจะสมุปบาทนี้ปรากฏเป็นของลึกมีความลึกซึ้งสุดประมาณดูก่อนอานนท์ด้วยความไม่รู้ด้วยความแทงไม่ได้ตลอดซึ่งธรรมะข้อนี้มูสัตทั้งหลายจึงเกิดมาเยี่ยงผู้ที่ยุ่งเหยิงไม่ต่างอะไรกับได้ของช่างหูกผูกเป็นกระจุกติดพันกันเป็นปม อ, อะไรอย่างนั้นความหมายคือทุกชีวิตมีความซับซ้อน แม้กระทั่งมดหลวกที่เราเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยก็มีเงากรรมที่ยุ่งเหยิงติดพันตัวมายัางไม่อาจคาดเดาได้ถูกพระผู้มีพระภาคท่านมีพระญาณประการหนึ่งเป็นการเฉพาะชื่อว่าสัพพัญยุตยานซึ่งแปลง่ายๆคือไม่มีอะไรที่ไม่รู้โดยเฉพาะต้นเหตุของผลลัพธ์ทั้งหลายและเมื่อรู้ถึงที่สุดของทุกความลับในห้วงมหาจักรวาลแล้ว พระองค์ท่านก็มาประกาศความจริงคือไม่มีเทพเจ้าพูดสร้างชีวิตแล้วชีวิตก็ไม่ได้เกิดจากอำนาจของความบังเอิญบรนดาลขึ้นด้วยแต่โดยที่แท้การจะเกิดมีเกิดเป็นอะไรได้ต้องมีต้นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอซึ่งรวมเป็นคำสรุปง่ายๆได้ว่าเพราะสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งจึงมีเรียงตามลำดับเหตุผลให้ได้ดังนี้ เพราะชาติมีชรามรณะจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าชาติมิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหล่าเทพมิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหล่าคนทันมิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหล่ายักษ์มิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหลาพูดมิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหลามนุษย์มิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหลาสัตว์สีเท้ามิได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหลาสัตว์ปีก มีได้มีให้ใครไปเป็นสหายแห่งเหล่าสัตว์เลื้อยคลานเช่นนั้นชราและมรณะก็ไม่พึงปรากฏได้ชาติคือภาวะมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาเริ่มนับความเป็นชาติจากการเกิดแล้วสิ้นสุดลงที่การตายเพราะพบมี ชาติจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าภพมิได้มีแก่ใครๆโดยความเป็นการมาภบรูปภพอรูปภพเช่นนั้นชาติก็ไม่พึงปรากฏได้ภพคือภาวะความเป็นโลกอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในธรรมชาติพร้อมจะให้เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตามวาสนาในแต่ละชาติ กามพบคือโลกสำหรับเหล่าสาัตว์ปปบบบที่มีเพศชายเพศหญิงนักแตา่นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดารูปประพบคือโลกสำหรับเหล่าสัตว์ที่ปราศจากเพศแต่มีรูปพันณสันธานภายนอกแบบบุรุษได้แก่เหล่าพรหมที่มีรูปร่างหน้าตาอรูปประพบคือโลกสำหรับเหล่าสัตว์ ที่ปราศจากเพศและรูปร่างหน้าตาได้แก่เหล่ากรมที่มีแต่จิตเพราะอุปาทานมีพบจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าอุปาทานมิได้มีแก่ใครๆโดยอาการหลงผูกติดอยู่กับความเชื่อผิดๆมิได้มีแก่ใครๆโดยอาการหลงผูกติด อยู่กับการปฏิบัติตนผิดผิดมิได้มีแก่ใครๆโดยอาการหลงผูกติดอยู่กับความรู้สึกว่ามีตัวตนเช่นนั้นภพก็ไม่พึงปรากฏได้อุปาทานคืออาการที่จิตยึดมั่นไม่ปล่อยเปรียบเหมือนมีพันธนาการผูกหมูสัตว์ไว้กับภพที่น่าปรารถนานับแต่แรงดึงดูดทางกายและสายใยผูกพันทางใจแบบมนุษย์ ตลอดไปจนกระทั่งความยึดติด อ, อยู่กับความรู้สึกในตัว in นตวทนที่ยิ่งใหญ่แบบรมเพราะตัณหามีอุปาทานจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าตัณหามิได้มีแก่ใครๆโดยความเป็นอาการทายานอยากเห็นรูปที่ชอบโดยความเป็นอาการทยานอยากได้ยินเสียงที่ชอบ โดยความเป็นอาการทยานอยากได้กลิ่นที่ชอบโดยความเป็นอาการทยานอยากลิ้มรสที่ชอบโดยความเป็นอาการทยานอยากรับสัมผัสที่ชอบโดยอาการเป็นอาการทยานอยากเสพภาวะทางใจที่ชอบเช่นนั้นอาการหลงผูกติดทั้งหลายก็ไม่พึงปรากฏได้ตัณหาคืออาการทยานของจิต ที่พุ่งเข้าสู่สัมผัสอันน่าชอบใจที่เป็นเป้าหมายเปรียบเหมือนแรงดีดลูกธนูออกจากแร่งอย่างแรงยากที่จะจับได้ไล่ทันหรือหยุดยั้งลูกธนูลงกลางคันยิ่งแรงส่งมากเท่าไรการปักติดของลูกธนูหรืออีกนยยะคือการเกิดอุปาทานก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเพราะเวทนามี ตัณหาจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าเวทนาไม่ได้มีแก่ใครๆโดยการเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดจากตาเห็นสุขทุกข์ที่เกิดจากหูได้ยินสุขทุกข์ที่เกิดจากจมูกได้กลิ่นสุขทุกข์ที่เกิดจากลิ้นลิ้มรสสุขทุกข์ที่เกิดจากกายสัมผัสสุขทุกข์ที่เกิดจากมโนสัมผัสเช่นนั้น ความอยากทางกรรมคุณความอยากเป็นนั่นเป็นนี่และความไม่อยากเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่พึงปรากฏได้เวทนาคือความรู้สึกซึ่งมีทั้งสุขสบายและอึดอัดเป็นทุกข์อาจจะเนื่องด้วยความรู้สึกอันเป็นไปในทางกายหรือทางใจเพราะเวทนาและตัณหามี ความตรณีและการก่อบาปจึงมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงเกิดลาบเพราะอาศัยลาบจึงเกิดการยอมปลงใจให้เพราะอาศัยการยอมปลงใจให้จึงเกิดการรักใคร่พึงใจ เพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการผวองเพราะอาศัยการผวองจึงเกิดความยึดถือเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรนีเพราะอาศัยความตระนีจึงเกิดการปกป้องผลประโยชน์เพราะอาศัยการปกป้องผลประโยชน์จึงเกิดเรื่องเกิดอกุศลธรรมอันเลวร้ายไม่ใช่น้อย เช่นการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการขึ้นมึงขึ้นกูการใช้คําเสียดแทงใจและการโป้ปดมดเท็จหากการปกป้องผลประโยชน์ไม่มีอยู่อากุศลธรรมและการก่อบาปก่อกรรมต่อกันก็ไม่พึงปรากฏได้เพียงมีมูลเหตุให้เห็นแก่ตัวกรรมอันก่อขึ้นเพื่อตัวเองก็ไหลาตามมา เป็นดีบ้างเมื่อสละออกซึ่งความเห็นแก่ตัวเป็นชั่วบ้างเมื่อทำตามความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะไม่เกิดการแบ่งข้างแย่งชิงใดๆเลยเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าผัสสะมิได้มีแก่ใค ร, ใคร โดยความเป็นการสัมผัสด้วยตาการสัมผัสด้วยหูการสัมผัสด้วยจมูกการสัมผัสด้วยลิ้นการสัมผัสด้วยกายและการสัมผัสด้วยใจเช่นนั้นเวทนาก็ไม่พึงปรากฏได้ภัสสะคือการกระทบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับการแตะต้องและใจกับนามธรรมทั้งปวง เพราะนามรูปมีผัสสะจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้านามรูปอันมีทั้งรูปกายกับทั้งความรู้สึกนึกคิดประกอบรวมอยู่ด้วยกันไม่ได้มีแก่ใครๆแล้วการสัมผัสกระทบทางกายก็ไม่พึงปรากฏได้การที่จะสัมผัส ร, รู้จักชื่อเสียงของสิ่งหนึ่งๆก็ไม่พึงปรากฏได้การที่จะสัมผัส ร, รู้จักชื่อเรียกของสิ่งหนึ่งๆ ก็ไม่พึงปรากฏได้นามรูปคือภาวะทางธรรมชาติแห่งการรวมตัวกันระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมได้แก่ผมขนเล็บปันหนังกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อประสาสัมผัสต่างๆส่วนนามธรรมได้แก่ธรรมชาติแห่งการรู้สึกได้ธรรมชาติแห่งการนึกคิดได้ เพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีขึ้นมาได้ก็ถ้าวิญญาณไม่อาจอย่างลงในคันแห่งมารดานามรูปในคันแห่งมารดาก็ไม่อาจสืบต่อก่อร่างเป็นมนุษย์ในคันหรือถ้าวิญญาณอย่างลงในคันแห่งมารดาแล้วล่วงเลยไปจะมีนามรูปบังเกิดขึ้นโดยความเป็นมนุษย์เต็มตัวเช่นนี้ก็หาได้ไม่วิญญาณของทาโรคชายหรือทารกหญิงก็ดี วิญญาณของเด็กน้อยในวัยเยาว์ก็ดีถ้าไม่อาจสืบต่อได้แล้วนามรูปจากเจริญเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หาได้ไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องกล่าวว่าถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่พึงปรากฏได้และในทางกลับกันถ้าวิญญาณจากไม่ได้นามรูปเป็นที่อาศัยเสียแล้วความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะและกองทุก ก็ไม่พึงปรากฏด้วยวิญญาณคือธาตุรู้แต่เพื่อจะรู้อะไรอะไรในโลกมนุษย์ก็ต้องอาศัยหูตาของมนุษย์ส่วนกายมนุษย์จะเกิดและโตได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณมาประกอบฉะนั้นทั้งนามรูปและวิญญาณจึงได้ชื่อว่าอาศัยซึ่งกันและกันในการเกิด เพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีขึ้นมาได้การสั่งสมกรรมอันเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นสมาธิฌานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบ้างตกแต่งให้เกิดภูมิแห่งวิญญาณต่างๆผลของกรรมอันพิสดารของเหล่าสัตว์ต่างๆทําให้บางภูมิแห่งวิญญาณมีรูปกายต่างกันและมีความรู้สึกรูสาในภาวะแห่งตนต่างกัน เช่นเหล่ามนุษย์เหล่าเทพบางพวกเหล่าสัตว์ต้องโทษบางจําพวกบางภูมิแห่งวิญญาณมีรูปกายต่างกันแต่มีความรู้สึกรู้สาในภาวะแห่งตนเหมือนกันเช่นเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบายบางจําพวกเหล่าพรหมผู้บังเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งปฐมฌานอันเป็นสภาพตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบางภูมิแห่งวิญญาณมีรูปกายเหมือนกัน แต่มีความรู้สึกรู้สาในภาวะแห่งตนต่างกันเช่นเหล่าโรมชั้นอภัสระผู้มีรัศมีแผ่ส่านเปลง่งปลั่งบางภูมิแห่งวิญญาณมีรูปกายอย่างเดียวกันมีความรู้สึกรู้สาในภาวะแห่งตนเหมือนกันเช่นเหล่าปรมชั้นสุภกินหะผู้มีความเรืองรองเป็นอันมากบางภูมิแห่งวิญญาณไรรูปกาย ปราศ จ, จากความรู้สึกรู้สาในภาวะอันเนื่องด้วยรูปเช่นเหล่าพรมผู้เข้าถึงฌานสมาธิด้วยการน้อมนึกถึงความว่างไม่มีประมาณ <c ười> แห่งอากาศบางภูมิแห่งวิญญาณไร้รูปกายปราศ จ, จากความรู้สึกรู้สาในภาวะอันเนื่องด้วยรูปอีกทั้งเก้าล่วงความว่างอย่างอากาศไปเ <c ười> ข้าถึงฌานสมาธิ <lazım> ด้วยการน้อมนึกถึงความสว่างรู้ไม่มีประมาณแห่งวิญญาณ บางภูมิแห่งวิญญาณไร้รูปกายปราศจากความรู้สึกรู้ษาในภาวะอันเนื่องด้วยรูปอีกทั้งเก้าล่วงความว่างอย่างอากาศและความสว่างรู้แห่งวิญญาณเข้าถึงฌานสมาธิด้วยการน้อมนึกถึงความไม่มีอะไรอยู่เลยความต่างแห่งวิญญาณในภูมิต่างๆบรนดาลขึ้นจากวิบากแห่งกรรมหากปราศจากการสังสมบุญบาป หรือปราศจากการสั่งสมสมาธิเพื่อความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วความต่างแห่งวิญญาณในภูมิต่างๆก็ไม่พึงปรากฏได้สังขารคือการปรุงแต่งทางจิตให้เป็นดีเป็นร้ายเป็นสว่างเป็นมืดเป็นสมาธิเป็นฟุ้งซ่านแล้วแต่ละแบบก็มีความเข้มข้นต่างกันจึงก่อให้เกิดที่ตั้งที่อยู่ของวิญญาณแต่ละจาพวกอันพิสดารหลากหลาย เพราะอาวิชามีสังขารจึงมีขึ้นมาได้เพราะความไม่รู้โทษแห่งการที่วิญญาณต้องดับสลายแล้วกลายเป็นอื่นและเพราะความไม่รู้ทางออกจากภูมิแห่งวิญญาณทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายจึงมัวเมาเพลิดเพลินในภูมิแห่งวิญญาณของตนและหลงสั่งสมบุญหลงสั่งสมบาปหรือหลงสั่งสมสมาธิเพื่อความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกันอยู่ ต่อเมื่อรู้แจ้งในความเป็นภูมิแห่งวิญญาณหนึ่งหนึ่งรู้แจ้งในการเกิดรู้แจ้งในการดับรู้คุณและโทษในความเป็นภูมิแห่งวิญญาณหนึ่งหนึ่งตลอดจนรู้ทางออกจากภูมิแห่งวิญญาณก็ยอมหมดความเพลิดเพลินยินดีและพ้นจากภูมิแห่งวิญญาณทั้งปวงเสียได้อวิชชาคือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสาคัญผิดคิดว่ามีตัวของตนอยู่แน่แน ไม่เฉลียวคิดเลยว่าภาวะคิดนึกรู้สึกได้มีจิตรู้เห็นได้อย่างนี้เป็นเพียงวิญญาณในภูมิหนึ่งซึ่งวันหนึ่งจะต้องแปลเป็นอื่นตามกรรมกับทั้งไม่รู้เลยว่าถ้าจะออกจากความไม่แน่นอนนี้ต้องทำกันอย่างไรภาพรวมของเหตุผลในการเกิดการตาย ความยากของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ที่การทำความเข้าใจว่าการมีสิ่งหนึ่งเป็นเหตุให้อีกสิ่งหนึ่งมีขึ้นได้แต่ยากตรงข้อจำกัดในการเห็นเราเห็นแต่ว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่จริงแต่ไม่ทราบว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพียงชาติชาติหนึ่งจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากมนุษย์ธรรมดาระลึกชาติไม่ได้ เราเห็นว่าภพของสิ่งมีชีวิตที่มีเพศชายเพศหญิงเพศผู้เพศเมีย น, นั้นเป็นของจริงแต่ก็จริงเฉพาะเท่าที่เห็นว่าเป็นโลกมนุษย์กับโลกเดรัจฉานมนุษย์ธรรมดาไม่มีตาทิพสองไปเห็นได้ว่ายังมีบรรดาภพของสิ่งมีชีวิตที่มีเพศอื่นอื่นอีนอก<ๆ>เช่นนรกเปรตและเทวดานางฟ้าอย่าว่าแต่นรกสวรรค์ที่ตามองไม่เห็นแม้สิ่งที่ตาเห็นชัดๆ เช่นกำเนิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ยากจะเข้าใจเหตุผลในเชิงนามธรรมอย่างเช่นการบังเอิญติดลูกนั้นแม้แต่แพทย์ผู้จัดขั้นตอนผสมเทียมให้ก็ไม่อาจให้คำรับรองร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะช่วยให้ชายหญิงสมใจได้ลูกในความพยายามผสมเทียมครั้งใดและถึงแม้ทำสำเร็จก็ไม่อาจให้คำอธิบายได้ว่ามีวิ ญ, ญญาณมาอย่างลงในคันมานดาในเมื่อแพทย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดา มองวิญญาณด้วยตาเปล่าไม่เห็นและเมื่อมนุษย์ธรรมดาไม่อาจเห็นเหตุผลของการเกิดการตายด้วยความอย่างรู้ทางจิตอย่างแท้จริงจึงไม่มีทางรู้เลยว่าเราเป็นเพียงวิญญาณชนิดหนึ่งในอีกหลายต่อหลายชนิดและไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งความเป็นวิญญาณชนิดนี้ต้องเคลื่อนไปสู่ภพภูมิอื่นตามกรรม ถึงแม้รู้บ้างแล้วเห็นนรกสวรรค์ได้บ้างแล้วก็ยังยากขึ้นไปกว่านั้นถ้าจะให้ทราบว่ายังมีธรรมชาติอื่นนอกเหนือไปจากภพภูมิทั้งหลายนั่นคือการพ้นไปจากภพภูมิทั้งหลายรู้แจ้งว่าการเป็นอิสระจากภูมิแห่งวิญญาณทั้งปวงนั้นแสนดีแสนสบายเพียงใดเมื่อไม่เห็นจึงมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับเยื่อล่อตรงหน้า ทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำสมาธิให้ตั้งมั่นบ้างนี่เองก็เป็นที่มาของการสะสมบุญบ้างสะสมบาปบ้างโดยไม่รู้เลยว่าผลของบุญและบาปจะก่อสุขก่อทุกข์อย่างไรในอนาคตหลังตายจากความเป็นอย่างหนึ่งแต่และคนต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งผลของกรรมย่อมบันดาลให้เกิดวิ ญ, ญญาณที่เหมาะกับกรรม และเข้าไปสู่พบอันเป็นที่สถิตแห่งเหล่าวิญญาณในระดับชั้นเดียวกันตรงนี้เป็นความเข้าใจที่สำคัญมากนั่นคือวิญญาณอมะตะไม่มีมีแต่วิญญาณชั่วคราวและทุกครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่บรรดาขึ้นด้วยกรรมด้วยวิธีที่ย่างลงไปรวมกับนามรูป รองนามรูปอันเป็นเครื่องรับสัมผัสทั้งหลายจึงเกิดสัมผัสต่างๆตั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยสัมผัสต่างๆจึงเกิดความสุขและความทุกข์ตามสภาพด้วยความสุขและความทุกข์ในแต่ละสัมผัสจึงเกิดความทยานอยากแล่นไปหาความสุขและเกิดความทยานอยากหนีไปจากทุกข์ ด้วยความพุ่งทยานออกไปพบกับผัสสะสมหวังจึงเกิดความปักใจยึดมั่นถือมั่นว่านี่แหละดีแล้วแต่ถ้าพุ่งทยานออกไปแล้วพลาดเป้าก็ปักใจยึดมั่นว่าต้องหาเป้ากันใหม่ผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปผูกกับอีกสิ่งหนึ่งเป้าหมายอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ภายนอกหรือไม่ก็อาจเป็นสิ่งที่รู้สึกได้เฉพาะตนอันเป็นภายใน เช่นสุขในสมาธิอันล้าลึกเป็นต้นด้วยความหลงผูกติดในภาวะภาวะอันเป็นภพชาติทั้งหลายจึงเกิดขึ้นและมีอยู่เพื่อรองรับเหลา่าสัตว์หรือจะคิดในทางกลับกันก็ได้คือมีกรงขังพร้อมเหยื่อล่ออยู่จึงมีเหลา่าสัตว์สมัครใจเข้ามาติดอยู่ในกรงเพื่อเสพเหยื่อล่อยังไม่รู้จักเบื่อหน่ายกันแม้พบของเปรต ที่ยังอยากกลับมามีชีวิตเยี่ยงมนุษย์ก็มีอยู่เพื่อรองรับมนุษย์ที่ตายแบบทําใจไม่ได้ถามว่าคนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่มากทำไมไม่กลับมาให้เยอะกว่านี้จะได้เป็นปรากฏการสามัญที่รับรู้และเชื่อตามกันได้ทั่วโลกคำตอบคือพวกเขาอาจพยายามกลับมาแต่คุณไม่เห็นเอง